สิกขาบทวิพัง206ที่ชื่อว่าภิกษุไม่เจ็บไข้คือภิกษุที่สามารถจะลีกออกไปจากที่พักแรมนั้นได้ที่ชื่อว่าเป็นไข้คือภิกษุไม่สามารถจะลีกออกไปจากที่พักแรมนั้นได้ที่ชื่อว่าพัฒหารในที่พักแรมได้แก่โภชนะ5้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาจัดไว้ที่ศาลาที่มณฑบที่โคนไม้หรือที่กลางแจ้งอย่างเพียงพอไม่ได้เจาะจงผู้ใด ภิกษุไม่เป็นไข้พึงฉันได้เมื่อเดียวหากรับประเคณเกินกว่านั้นด้วยความคิดว่าจะฉันต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัตปาจิตีทุกๆคำกลืน